เสียงอ่านหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเลนสองรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นโดยคุณหลวงและคณะอ่านโดยโจโฉสำหรับซีดีแผ่นนี้ยังมีเนื้อหาไม่ครบตามหนังสือนะครับเนื้อหาที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนในหนังสือเท่านั้น ท่านสามารถติดตามตอนที่เหลือและตอนอื่นๆรวมถึงดาวน์โหลดธรรมะมากมายได้ฟรีที่ net, j o โฉดอท J O S H O N E T สำหรับท่านที่สนใจหนังสือกรุณาติดต่อกับคุณหลวงได้ที่โทรศัพท์ 02-900-741-8 หรือ 086-341-2639